ต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืกต่อไปฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อเรื่องว่าอาคติสี่อย่างคำว่าอาคตินี้แปลว่ากิริยาที่ไม่ควรตะพฤติหรือไม่ควรถึงไม่ควรจะทา อันบุคคลที่ทําอะไรไม่ซื่อตรงดํารงในสิ่งที่ไม่ยุติธรรมทําอะไรก็คดเคี้ยวเข้ากับตัวเองเข้ากับคนอื่นด้วยอํานาจความรักบ้างความชังบ้างอความกล่าวบ้างความกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวบ้างอย่างนี้และที่ว่าคนนั้นรู้อํานาจแห่งอังตติก็คือความไม่ยุติธรรมเป็นเหตุให้ประพฤติ์ได้รับความทุกข์ความโทษโดยส่วนเดียว ทั้งเป็นเหตุทำให้คนอื่นเหนือดร้อนเพราะไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอกันเหตุนี้จึงคือว่าเป็นกิริยาที่ไม่ควรจะพฤติฉะนั้นคำว่าอาคติสี่นี้ก็มีหนึ่งลำเอียงเพราะรักใคร่กันเรียกว่าฉันทาคติสองลำเอียงเพราะไม่ชอบกันเรียกว่าโทสาคติสามลำเอียงเพราะเขาเรียกว่าโมหาคติ สีลำเอียงเพราะกลัวเรียกว่าพยาคติทั้งสี่อย่างนี้ทุกคนเราไม่ควรจะพึตแต่ก็นั่นแหละท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเราโดยมากก็เข้าข้างตัวเองนะเข้าข้างตัวเองเข้าข้างพวกพ้องของตัวเองเข้าข้างญาติของตัวเองพูดสรุปสั้นๆก็คือว่าคนใดที่เรารักเราก็มักจะเข้าข้างคนใดที่เราไม่ชอบเราก็ มักจะลงโทษหรือว่าให้เป็นฝ่ายผิดไปบางครั้งเขาก็ไม่ผิดแต่ว่าเราไม่ชอบใจก็เลยตัดสินให้ผิดไปอย่างนี้ก็มีและบางครั้งเราก็ทำด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาไม่ได้ทําพิจารณาให้ท่องแท้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอคติอีกและบางครั้งเราก็กลัวจะมีเวรมีภัยกับตัวเองด้วยอำนาจอิทธิพลต่างๆด้วยอานาจที่ไม่ชอบทำต่างๆมาบีบบังคับเรา ทำให้เรานั้นกลัวกลัวตายอันจะมีแก่ตนก็จึงได้กระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้นทำให้คนที่เราตัดสินไปผิดพลาดนั้นเกิดความทุกเกิดความเดือดร้อนกระทั่งครอบครัวและวงศตระกูลของเขาจนถึงที่สุดบางทีตัวเราก็เดือดร้อนอันนี้เราก็เห็นมีอยู่บ่อยๆว่ามีการอารอบลักฆ่ากันนะฆ่าพวกานายความก็มี ค่าคนที่กล่าวร้ายก็มีค่าผู้พิพากษาก็มีอันนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียงก็เคยได้ลงประกาศให้เราได้รับรู้รับทราบกันอยู่เป็นประจำฉะนั้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายพูดถึงอคติแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะหนักให้มากถ้าหากว่าเราเอาทาเป็นใหญ่เอาทาเป็นใหญ่ โดยไม่เห็นแก่หน้านะไม่เห็นแก่หน้าไม่เห็นแก่พวกพ้องไม่เห็นแก่เพื่อนถ้าอย่างนี้ทำอะไรก็จะเกิดแต่ความสุขเกิดแต่ความเจริญเกิดแต่ความยุติธรรมทุกวันนี้เรามักเรียกร้องว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะทุกทุกอย่างว่าไม่เป็นยุติธรรมชาวนาก็หามบอกว่า คนซื้อข้าวนั้นไม่ยุติธรรมพ่อค้ากลางไม่ยุติธรรมเอาเปรียบนะขว ก, กรรมกรต่างๆก็ว่ากฎหมายนั้นไม่ยุติธรรมถือว่านายจ้างนั้นเอาเปรียบหรือว่าพวกอยู่กลมกองกระทรวงอันใดแต่และอย่างก็มักจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าที่ตนจะทํานั้นไม่ได้รับความยุติธรรมอันนี้มันมีอยู่ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกรมทุกกองทุกรทกระทรวงนะทุกกระทรวงตั้งถือตั้งแตร่ระดับชาวบ้าน นะระดับชาวบ้านฉะนั้นเมื่อเราไม่ให้ความยุติธรรมแก่เขาชนหมู่มากในรับความเดือดร้อนเขาถูกคมเหงถูกคมขนะีถูกกดขี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจึงมักมีการรวมตัวกันมีการรวมตัวกั น, นะกรรกนเดินขบวนบ้างมาเรียกร้องบ้างะจะได้ความสงบหรือไม่สงบอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เขาก็เพื่อมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะ บางครั้งเขาก็มีการเรียกร้องให้ให้กับผู้ใหญ่บ้างให้กับกำนันบ้างให้กับนายอำเภอบ้างหรือบางทีให้กับผู้ว่าบ้างาว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะบางทีก็เรียกร้องให้เอาพวกนี้ออกไปบางทีก็เรียกร้องให้เอาคนนี้กลับมาว่าเป็นคนดีอะไรทำนองนี้แหละซึ่งรู้สึกว่าเรื่องความอาคติเรื่องความไม่ยุติธรรมนี้จะมีอยู่ทุกมุมของเมืองไทย และก็มีอยู่ในโลกนะมีอยู่ในโลกเราลองดูเราอ่านตามตามหน้าหนังสือพิมพ์จะเห็นว่ามีภาพการเดินขบวนการเรียกร้องสิทธิเรียกร้องอำนาจเอขอความเป็นธรรมกันทั่วทุกมุมโลกนะทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยนะไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยไม่ใช่มีเฉพาะในทวีปเอเชียนะเรียกว่าเอเชียนี่ทุกวันนี้ก็าทางอาบัตเตสซิลิปปินก็มีการเดินขบวนเรียกร้องกันมา อยู่ตลอดเวลาสร้างความสับสนโคลมานเมื่อคืนนี้ก็มีการประกาศถึงกับประธานาธิบดีก็แทบจะวางมืออจากการที่จะได้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีก็ได้มอบหมายให้กับภรรยาหรือแถวทางชิลีนะประเทศชิลีอไปทางอเมริกานนะทางอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อหรือว่าไปทางยุโรปนสังเกตดูมีการโดยสขบวนขนาดนั้นนะแถวประเทศสเปนก็ดี หรือว่าแถวไซปร์นะนี่พวกกรีพวกอิตาลีอะไรนี่ยุ่งไปหมดเลยนี่ก็เพื่อขอความเป็นธรรมทีนี้เราก็อยากจะว่าใ้ความเป็นธรรมนั่นคืออะไรนะความไม่เป็นธรรมนั่นคืออะไรทุกอย่างนี้มันเกิดจากคนเราทางนั้นไม่ใช่อะไรหรือบางทีร่างกฎหมายมาแล้วเขาก็อ้างบอกว่ากฎหมายนี้ไม่ยุติธรรมนะไม่ยุติธรรมเพราะมักจะพูดกันว่า กฎหมายนี้เป็นการเข้าข้างคนร่างนคนที่ร่างคือคนใหญ่คนโตคนมีอํานาจนั้นร่างกฎหมายเพื่อคุ้งจองตัวเองแต่เอาไปกดสี่คนอื่นอนะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยนไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะเป็นธรรมมาธิปไตยได้อย่างไรเพราะคนเราโดินมากก็ทําอะไรเป็นอัจจาธิปไตย วาอัตาที่ประไซก็คือว่าเอาตัวเองเป็นใหญ่นะจะทําอะไรนี้ต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่ตราลุบตัวเองอนะคนอื่นต้องเชื่อถือตัวเองต้องนับถือตัวเองนะี่หรือว่าแม้ว่าจะทําบุญทุนทานอะไรนี้คนที่ถือเอาอัตตาที่ปไะไซก็คือประเภศที่เรียกว่าตัวเองทําแล้วต้องมีคนยกย่องต้องมีคนชมเชยหรือต้องมีชื่อติดให้ก็รูหรานี่แหละอย่างนี้พวกอัตตาที่ประไซ เอาชือตัวเองไปติดไว้หรือบางครั้งก็ไปถ่ายรูปคู่กับผู้ใหญ่เอามาติดไว้โชว์เพื่อประดับป ร, รมีนะนะนะเพื่อไว้คุ้มครองตัวเองบ้างเนี่ยพวกนี้พวกอัตตาธิปไตยทางนั้นนะแม้กระทั่งรูป ก, ก็เอาไปคู่กันได้นะเอาไปคู่กันได้เวลาผู้น้อยเข้ามาก็ชี้ให้ดนะูว่านี่คุ้นกันสนิทกันเนี่ยพวกนี้พวกอัตตาธิปไตยทางนั้นเลยนะฉะนั้นอัตตาธิปไตยนี้ถึงแม้ว่า บางครั้งบางอย่างอาจะถูกบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะเป็นส่วนน้อยฉะนั้นถ้าหากว่าเอาอัจาธิปไตยกับประชาธิปไตยมาเทียบกันแล้วประชาธิปไตยนั้นยุติธรรมมากกว่านะแต่ประชาธิปไตยนั้นถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะยุติธรรมเส ม, มอไปไม่ใช่ว่าจะถูกเส ม, มอไปแต่ว่าเอาความเห็นส่วนมากนะในทางภาษาพเขาเรียกว่าโลกาธิปไตยอนะโลกาธิปไตย ก็หมายถึงว่าเอาความเห็นของคนส่วนใหญ่ของคนหมู่มากมาเป็นใหญ่ว่าเราเห็นอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่เขาเห็นอย่างนี้อเมื่อคนส่วนใหญ่เขาเห็นอย่างนี้เราก็ต้องเอาตามเอาตามเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นพวกกรรมกรนะส่วนพวกกรรมกรพวกเกษตรกรรมนเกษตรกรในพวกนี้อเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนจะส่วนใหญ่นั้นอันนี้แหละ ถ้าหากว่าประเทศชาติใดให้ความคุ้มครองกับผูอประชาชนพลเมืองด้วยอำนาจประชาธิปรตยแล้วก็มักจะได้รับความยุติธรรมมากนะยุติธรรมมากแต่ในบางกรณีก็ประชาธิปไตยนี้ก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความหญยนะเหมือนกันซึ่งอันนี้เราก็ได้เคยรู้เรียนรู้ได้ฟังได้เห็นมาเป็นประวัติศาสตร์อย่างกับ ประเทศลาวเนะี่ยที่พวกนักศึกษาเดินขบวนกันนี่เอาความเห็นของคนส่วนใหญ่ผลที่สุดเป็นไงอพอเดินเสร็จแล้วก็กลายเป็นอของคนอื่นไปหมดเขามายึดเอาไปหมดเลยนี่พวกนักศึกษานั้นโอดครวนเลยนะถูกขับหลังขึ้นมานี่แหละบางครั้งประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ยุติธรรมนะเราทำตามตามเขาไปโดยขาดความยับยั้งชั่งใจโดยขาดความยั้งคิด ก็คือไม่มีสติปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันถูกมันควรมันมีรับลมคมในอะไรใครเขามาชักชวนให้เราไปเดินขบวนไปร่วมประท้วงอะไรนั้นข อ, อให้เราทุกคนได้พิจารณาเสียก่อนไม่ใช่ว่าเขาเอาก็เอาก็เขาไปเรืยเนี่ยเขาว่าอะไรก็ว่าตามกันอ่ไอ้การว่าตามกันนี่มันพังมานหลายรายแล้วเนี่ยคิบหายมานหลายรายแล้วเนียขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้คิดให้มากเนียคิดให้มาก อันนี้เรื่องในทางพุทธศาสนาเราก็มีเรื่องกับว่าอะไรว่าตามกันนะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาก็เขาบอกว่ามีที่วัดแห่งหนึ่งนะที่วัดแห่งหนึ่งหัวหน้ามกคคายกก็นำญาติโยมที่ไปร่วมทำบุญทำทานเป็นศาลาเลยบอกว่าเอาพวกเราเตรียมตัวไหวพระกราบพระพร้อมๆกันนะว่ากัน ทุกคนพอรู้ว่าจะเตรียมตัวไหว้พระกราปพระพร้อมๆกันก็อยู่ในความสงบอยู่ในความสงบแล้วก็ัวหน้าก็ค่อยคลานไปจุดทูปเทียนที่ข้างหน้าพระประธานไอ้ขอประธานโทษเถอะไอ้เรื่องนี้ก็นานหน่อยเพราะคนสมัยก่อนนั้นชอบนุ่งผ้าอจุงกระเบนนะจุงกระเบนหรือว่าโจงกระเบนนะ <c oughs> พอก้มคลานลงไปก็ปรากฏว่าหางกระเบนมันตึงมันก็หลุด ไอ้ว่าไงว่าตามกันหางกระเบนมันก็หลุดนี่ฝ่ายพวกลูกน้องก็ได้ฟังหัวหน้าบอกออาพวกเราเตรียมตัวไหว้พระกับพระพร้อมๆกันว่าอะไรก็ว่าตามกันนะะว่างันพาหัวหน้าก้มลงความไปหางกระเบนหลุกไอ้พวกลูกน้องที่นั่งอยู่ทังท้ายก็มองดูว่าอ้าวดูที่หัวหน้าจะทำอะไรอ้าวนั่นมันหัวหน้าเขาปลดหางจกระเบนเนี่ยตัวเองก็เลยปลดกันมานะทุกคนก็ปลดกันหมดเลยทั้งสลา ภาวน้าคลานไปตัวเองก็คลานตามหัวหน้าไปไปเป็นแถวยืดเลยนี่เห็นไหยท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่แหละไอการว่าอะไรว่าตามกันนะ่ะบางครั้งมันก็ไม่ทูกนะบางครั้งมันก็ไม่ถูกนะ ก, ถ ก, กลายเป็นเรื่องปล่อยไกย่ปล่อยไก่ไปนะน่ารักอายฉะนั้นว่าอะไรว่าตามกันนั้นเราจะต้องดูนะต้องฟังเสก่อนว่าเขาทำอะไรทำเพื่ออะไรนะบางคนก็ต้องการทพ่วความเป็นใหญ่ของตัวเอง แต่ว่าอไปเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องมือนี่ไอ้คาว่าเป็นเครื่องมือเขาเนี่ยเป็นอุปกรณ์จะทําให้เขานั้นมีอํานาจมีความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงอโดยที่เรานั้นไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นนี้ขอให้เราได้เป็นคนรู้จักยับยัง้งช่างคิดให้มากนะรู้จักยับยัง้งช่างคิดให้มากฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานั้นอมักจะให้ทุกคนนั้น เอามีความยุติธรรมก็คือตัวธรรมมาทิปไตยหรือว่าทิปไตยะนะธรรมมาทิปไตยคาว่าธรรมมาทิปไตยนี่หมายถึงว่าเอาทำเป็นใหญ่นะไม่เอาตัวเองและไม่เอาบุคคลมากเป็นใหญ่แต่ว่าเอาความจรงิงเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นะจะพูดจะทําจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเอาทำเป็นใหญ่ เอาความจริงเอาความถูกต้องเอาเหตุเอาผลเป็นใหญ่แล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมนะไม่ต้องมาอ้างว่าอาคนโน้นเห็นอย่างนี้แล้วคนที่เห็นนั่นก็เป็นคนรวยด้วยคนนั้นเขามีความรู้ด้วยอมีความรู้อาจจะว่าเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นมหาบารียนันเป็นเจ้าคุณอะไรเงี้ยอันนี้เอามาอ้างไม่ได้นะเอามาอ้างไม่ได้ แต่เอามาเป็นองค์ประกอบได้แต่อย่าเอามาเป็นข้ออ้างว่าถูกเสมอไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้ามันถูกต้องตามตานองคองธรรมนะไม่ได้ทําไปเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองหรือเพื่อชนกลุ่มน้อยแต่เห็นว่ามันมันถูกต้องยุติธรรมก็อย่างนั้นใช้ได้นะใช้ได้ฉะนั้นจึงบอกว่าทำมาธิปฐตใยนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดไม่มีอาคติที่สุด นะบางครั้งเนี่ยคนต้องเป็นหมื่นๆคนแต่อาจอาคนต้องเก้าพันกว่าคนนี่อาจจะเห็นอย่างนั้นแต่ไม่ถูกแต่คนอีกเพียงคนเดียวหรือสองสามคนนี่อาจจะเห็นถูกนะเห็นถูกก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าไอ้คนส่วนน้อยนั่นแหละคือพวกทำ ม, มาธิปะตนะไยทมาธิปตยเนะียมีความเอาทมเป็นใหญ่นะเอาทมเป็นใหญ่ท่านลองไปศึกษาพวกคน ติดคุกติดตารางดูว่าคนติดคุกติดตารางนี้ควรจะมีการอลดยันฟันผันให้ทุกเดือนนะอาจจะเดือนหนึ่งสักคนละวันหรือว่าเดือนคนละสิบวันนี่ใครเห็นด้วยไหมแน่นอนที่สุดพวกของคุกจะต้องยกมือกันพรืบเลยซึ่งอันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเพราะว่าความโทษที่เขาได้ทําลงไปนั้นมันก็ต้องได้รับโทษตาม กฎหมายบ้านเมืองตามโทรสารุโทษโทษมากโทษน้อยอย่างไรแล้วก็เป็นโทษประเภทไหนอโทษประเภทนั้นจะต้องอตัดสินจิตคุกเท่าไรนี่อันนี้มันมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะไปประกาศว่าเอาเสียงส่วนใหญ่แล้วคนในคุกส่วนใหญ่แล้วว่าควรจะมีการลดหย่อนผ่อนผันทุกเดือนหรือปีหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้อมันไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมฉะนั้นสิ่งที่เป็นยุติธรรมนั้นแม้จะ คนเดียวแต่ว่ามีความเห็นถูกต้องตามธรรมของธรรมนะไม่ไม่ความเห็นนั้นไม่เป็นไปเพื่อตัวเองแต่เป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปเพื่อความเป็นจริง อ, อย่างนี้แหละที่ว่าเป็นใหญ่โดยธรรมนะเป็นใหญ่โดยธรรมฉะนั้นอคนที่อาคติก็คือว่าคนที่ไม่ยุติธรรมคนที่ไม่ยุติธรรมก็คือคนที่ไม่ตรงนะขอให้ท่านตัวฟังคิดให้ดี คนที่ไม่ยุติธรรมก็คือคนที่ไม่ตรงในคนที่ไม่ตรงนั้นก็คือคนคดนะคนคดคนคดมันก็เอาไปทำเป็นเอาไปทำเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนคดเอาไปทำเป็นลูกก็เป็นลูกคดเอาไปทำเป็นสามีก็เป็นสามีคดเอาไปทำเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาคด เอาไปทำเป็นพ่อก็เป็นพ่อคดเอาไปทำเป็นแม่ก็เป็นแม่คดเอาไปทำเป็นพระก็เป็นพระคตเป็นทหารเป็นตำรวจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทหารตำรวจคตหมดเลยไม่มีความตรงแต่คนเราถ้าเป็นคนที่มีความตรงมีความเที่ยงตรงมีความซื่อตรงแน่นอนที่สุดจะไปทำเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนที่มีความซื่อตรง เอาไปทําเป็นลูกก็เป็นลูกที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นพ่อเป e ็นแม่ก็เป็นพ evet ่อแม่ที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นสามีภรรยาก็เป็นสามีภรรยาที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นครูอาจารย์ก็เป็นครูอาจารย์ที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นพระก็เป็นพระที่มีความซื่อตรงเอาไปทําเป็นทหารตำรวจก็เป็นทหารตำรวจที่มีความซื่อตรงอันนี้ยุติธรรมนะอันนี้ใช้ได้นะอย่างนี้ใช้ได้แล้วก็ในความ ตรงที่ว่าตรงกันข้ามกับความคดนี้มันมีข้อเสียอย่างก็คือว่าไม้คดเหล็กคดนี่เอาทําเป็นประโยชน์ได้นะทาเป็นประโยชน์ได้สร้างบ้านสร้างเรือนสร้างรถสร้างเก้าอี้นะสร้างพวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆได้นะไม้คดเหล็กคดเราเอามาดัดทำโน่นทํานี่ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าคนคดนั้นเอามาทําเป็นอะไรไม่ได้เลยนะมาทําแล้วมันคดหมดนะมันเสียนะมันเสียคนลงท่า ใจโคตรไปแล้วแล้วก็ทําอะไรมันก็โคตหมดเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจมันใจมันก็สั่งให้ทํานะใจมันก็สั่งให้ทําทําทางกายเ อ, อทําทางกายมันก็โคตไปหมดก็ทําไปในทางที่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับผู้อื่นนะส่วนในใจในใจที่มีความซื่อตรงเหมือนกันถ้าหากว่าใจตรงเแล้วก็พูดก็มีความซื่อตรงนะทําก็มีความซื่อตรงคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อน อย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้สบายอนี่เรื่องของของคนอคติก็คือคนที่ไม่มีความซื่อตรงแล้วคนที่เป็นคนอคตินี้ก็คือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีความไม่ไม่ไม่เป็นคนที่แท้จริงนะไม่เป็นคนที่แท้จริงไม่เป็นคนที่เที่ยงธรรมไอ้ของอะไรที่มันไม่แท้ นะไอ้ของไม่แท้ก็คือมันเป็นของเทียมไอ้ของเทียมก็คือของปลอมของปลอมก็คือของแกนะ่ไอ้ของแก้ของปลอมของเทียมเนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีราคานะสังเกตดูงเงินแก้แบงเ์แเก้เนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีราคาเนะมื่อวานนี่ก็ได้ยินเสียงทางสถานีวิทยุประกาศนะว่าเกี่ยวกับเรื่องแบงค์ร้อยแก้ระบาดแถวชมบุรเีเขาจับได้อีกนะ นี่ยมันไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรอ่านี่เป็นของวัตถุเอามาคนเก๊ตำรวจเก๊ทหารเก๊บางคนแต่งตัวเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพนนี่ก็ตราบใดที่แต่สิ่งนี้มันอยู่ไม่นานใน ต, ตอนที่ตัวเองยังเขายังจับไม่ได้ก็คงจะเป็นบุญวาสนาไปได้สักพักหนึ่งอาจจะไปหลอกลวงเขาหากินได้แต่พอเขารู้แล้วตอนที่สุดก็คือว่าเติดครุกหัวโตฮนะเสิดคุกหัวโตเสียชื่อเสียงอีกด้วย อันนี้ก็มีเยอะนะฉะนั้นสังเกตดู <c oughs> เราทุกคนนั้นจะต้องไม่เป็นคนเก๊ไม่เป็นคนปลอมไม่เป็นคน เ, เรียกว่าไม่เป็นคนเทียงมนะของอะไรที่มันเป็นของเถียมนะ่ะมันสู้ของแท้ไม่ได้นะสู้ของแท้ไม่ได้ของอะไรที่มันเป็นของปลอมสังเกต ด, ดูเถอะอ่านะมักจะต้องเขาจึงต้องสร้างด่านนะมีสุลกากรอ่านะมีสุลกากรคอย จับพวกนี้คอยตรวจพวกนี้เนี่ยกวไของปลอมนะไอ้ของเกจะเข้ามานะเมื่อมาแล้วก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้แน่นอนที่สุดเขาต้องเล่นงานนี่ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าไอ้ของอะไรถ้ามันเป็นของเทียมของอของเทียมของปลอมของเกเราก็ไม่ดีคนเราเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นคนเก่นะเป็นคนเก่เป็นคนอ่าเทียม ไอ้คนแก่คนเทียมนี่เอามาทำเป็นลูกคนก็เป็นลูกแก่นะเอามาทำเป็นแม่คนก็เป็นแม่แก่เอามาทำเป็นพ่อคนก็เป็นพ่อแก่เอามาทำเป็นสามีคนก็เป็นสามีแก่เอามาทำเป็นภรรยาคนก็เป็นภรรยาแก่เรียกว่าเป็นภรรยาแก่เป็นสามีแก่เป็นภรรยาปลอมเป็นสามีปลอมเป็นภรรยาเทียมเป็นสามีเทียมมันไม่แท้ไอ้ปัวเทียมเมียเทียมนี่มันก็คือมีแต่การหลอกลวงกัน นะไม่มีความสุขไม่มีสาระไม่มีคุณค่านะอยู่กันหลอกหลอกเขาเรียกว่าพูดตามภาษาธรรมะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหัวผีเมียผีนะไม่มีความจริงใจต่อกันนะไม่มีความซื่อตรงต่อกันก็คือว่าไม่มีความยุติธรรมต่อกันนั่นเองนะไม่มีความยุติธรรมนั่นเองฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพิจารณามากเลยว่าคนเราถ้าหากว่ามันไม่เทียมมันก็เป็นคนแท้นะ ไอ้เงินบัตรเงินแท้แท้ที่มันไม่ปลอมมันไม่เกนเนี่ยแม้ว่ามันมันจะมีเล็กน้อยแต่มันก็มีคุณค่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์เอาไปซื้ออะไรก็ไม่ต้องคอยเราแวดระวังว่าตัวใครจะมาเห็นมาจับได้ว่าไม่ใช่ของจริงนะแล้วซื้อแล้วก็ได้ผลเลยนะได้รับประโยชน์แต่ไอ้ของปลอมนะ่ะถ้าเขารู้นี่เขาก็ไม่เอาถึงแม้ว่ามันจะมีค่ามากเป็นแบงค์ร้อยห้าร้อยเขาก็ไม่เอามันไม่มีค่าไม่มีราคาอะไร นี่คนถ้าเป็นคนแท้เอาไปทําเป็นลูกคนก็เป็นลูกที่ดีแท้แท้เอาไปทําเป็นสามีคนก็เป็นสามีที่ดีแท้แท้เอาไปทําเป็นภรรยาคนก็เป็นภรรยาที่ดีแท้แท้เป็นพ่อคนแม่คนก็เป็นพ่อคนแม่คนที่ดีแท้แท้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีแท้แท้นะฉะนั้นไอ้คนกระแพ้ที่มีความเที่ยงแท้แล้วก็เที่ยงธรรมนี่แหละจึงเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองนะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติเป็นอย่างมากนะเป็นอย่างมากฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงเป็นคนแท้เป็นคนจริงนะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคนที่มีความยุติธรรมนั่นแหละก็คือคนที่มีความซื่อตรงนะไอ้คนที่มันไม่ซื่อตรงนั่นมันก็ยังว่านะเนีมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความหายนะคนโบราณจึงบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะ กินไม่หมดคดกินไม่นานแต่ถ้าไม่ซื้อมันก็กินเดี๋ยวมันก็หมดอ่าอ่าฉะนั้นขอให้เรานั้นมีความจริงใจต่อกันคนที่มีความจริงใจต่อกันมีความยุติธรรมต่อกันจะคบกันได้นานแต่ถ้าคบกันด้วยหวังอย่างใดอย่างหนึ่งในครบกันไม่นานฉะนั้นข้อนี้ก็มามีปัญหาให้เราได้สังเกตดูว่าคนเราที่รักกันทุกวันนี้ เพราะเราไม่ได้รักกันด้วยความยุติธรรมนะไม่ได้รักเพื่อความรักนะแล้วไปรักเพื่ออะไรคือไปรักเพราะเห็นแก่ความสวยงามเพราเห็นแก่ความรูปลอมรักเพราะเห็นแก่ความร่ํารวยเอรักเพราะเห็นแก่เขามียศตําแหน่งสูงรักเพราะเขามีความรู้สูงอย่างนี้ไม่ใช่รักเพื่อความรักเป็นเป็นความรักเพื่อเห็นเพื่อหวังกับอย่างหนึ่งอย่างใดในตัวของผู้นั้นนะ ไรักประเภทนี้ไม่ยุติธรรมเมื่อเมื่อเรามีความรักไม่ยุติธรรมแน่นอนที่สุดเมื่อถึงคราวที่ต้องวิบัติในสิ่งนั้นขึ้นมานะตัวเองก็จะไม่รักนะอพอไอความสวยนี่มันก็ไม่ได้อยู่ไปตลอดการมันเปลีย่ยนมันเสื่อมสามไปตามวัยมันเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะทุกทกวินาทนะีมันไม่คงทีนะ่มันไม่คงที่มันไม่เที่ยงตรงอยู่อย่างนั้น ฉะนั้นคนเราเมื่อเกิดขึ้นไอความสวยงามหรือความหล่อมันก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเราก็เกิดจะไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบคนที่หล่อต่อไปอีกนี่แหละเราจึงได้อยู่กันไม่ทนเรียกว่าเรารักไม่เป็นไม่ได้รักเพื่อความรักไม่ได้รักไอรักเพื่อความรักก็คือรักเพื่อความดีรักด้วยคุณงามความดีนะอย่างนี้ใช้ได้อืเขาจะรูปร่างอย่างไรไม่ใช่มีคนวิการเลยว่า จะไม่มีเงินแต่ว่าเขาเป็นคนดีอย่างนี้ใช้ได้ะเพื่อนเราครบเหมือนกันเราครบกันนี่บางทีเรามักจะเอาพวกฐานะเข้ามาเป็นเครื่องตัดสินในการสมาคมกันในการครบกันเพื่อจะอวดว่าตัวเองนั้นได้รู้จักคนใหญ่คนโตอรู้จักคุณหญิงคุณนายรู้จักในพันรู้จักในพลรู้จักคนที่นามสกุลใหญ่ตัวอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเอามาช่วยอะไรไม่ได้นะ โดยสภาวะทำจริงๆแล้วเอามาช่วยอะไรไม่ได้ทิงที่ช่วยได้คือคุณงามความดีเท่านั้นคุณงามความดีที่มีความจริงใจต่อกันไม่เอาดั้นเอาเปรีกกันนี่แหละเป็นคุณงามความดีฉะนั้นในทางสุภัสสาศาสนาจึงบอกว่าจึงบอกว่าให้เราทุกคนนั้นมีความยุติธรรมเมื่อมีความยุติธรรมก็คือว่าไม่มีอคติธรรม ฉะนั้นอคติในข้อแรกที่บอกว่าลำเอียงเพราะความรักใครส่สนนะอย่างนี้แหละเรียกว่าฉันทาคติฉันทาฉันท่าตัวนี้แปลว่าความรักหรือความพอใจอันนี้ก็หมายความว่าคนเรานั้นมักจะโอนเอียงทําอะไรก็ไปในสิ่งที่คนรักไปในสิ่งที่คนรักแม้ว่าคนรักนั้นจะทําไม่ถูกแต่ การตัดสินต่างๆนั้นแทนที่จะให้ผิดไปด้วยแต่ว่ากลับมาเข้าค้านะด้วยอํานาจของความรักหรือด้วยอํานาจของความชางังเช่นว่าอาจารย์มีสิทธ์อยู่สองคนพระเอลสิทธิ์สองคนนั้นทําความผิดด้วยกันและกันนะอาจารย์ควรลงโทษเสมอกันแต่กลับลงโทษคนที่รักน้อยนะไอคนที่ชังนั้นลงโทษมากอย่างนี้เรียกว่าลุอํานาจแห่งฉันภาคติ ฮะฉันทาสติและโทษาสติอีกด้วยนะอันนี้ใช้ไม่ได้หรือให้สังเกตดูบางครั้งเราอยู่ในฐานะที่จะวินิจฉัยความผิดต่างๆอาจจะเป็นคู่พีภาคษาอะไรก็แล้วแต่ละก็ปรากฏว่าเมื่อมีคู่กรณีมาติดต่อในการว่าความในการตัดสินความแต่ประเอในคู่กรณีนั้นฝ่ายหนึ่งรู้จักกันกับเรา รู้จักกันกับเราคุ้นเคยกันแต่ว่าเป็นฝ่ายผิดเขามาขอร้องให้ช่วยเหลือแต่เราก็กลับตัดสินให้เป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายถูกเอาคนที่ที่ผิดนั้นมาถูกเอาคนที่ถูกนั้นไปผิดนี่แหละอย่างนี้เขาเรียกว่าลำเอียงเพราะความนะ เ, เพราะเห็นว่าเป็นพวกพ้องของตนเพราะเห็นว่านั่นคุ้นเคยกับอของตนหรือบางครั้งก็ ถึงจะไม่รู้จักกับตัวเองแต่ว่ามีความคุ้นเคยกับลูกกับหลานหรือว่า ม, มีความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านแล้วก็ลูกหลานนั้นก็มาบอกเราว่าควรช่วยเหลือคนนี้นะลูกญาติของเราบอกคนช่วยเหลือคนนี้นะนี่อย่างนี้แหละเราก็เลยหาทางช่วยเหลือเพื่อเห็นหน้าลูกหลานเห็นแก่หน้าลูกหลานเห็นแก่หน้าเพื่อนฝูงเราก็เลยเอาคนที่ผิดนั้นให้มาถูกนะไอ้คนเราบางคนก็ เมื่อตัวเองผิดแล้วก็มาถูกได้รับความช่วยเหลือให้ถูกอย่างนี้ก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัวสร้างความสร้างความสุขบนความทุกข์คนอื่นแล้วคนที่มันผิดแล้วมันถูกนี้บางครั้งก็ไปเขาเรียกว่าไปอวดดีนะไปเยาะเยะ้ยว่าตนเองนั้นมีญาติเป็นผู้ใหญ่นะจะทําอย่างไรก็ได้นะีหรือตอนเองนั้นมีญาติเป็นผู้พิพากษาเป็นพวกทนายความ ยอมสามารถที่จะชี้นกเป็นนกได้นะตัดสินให้ที่ตัวเองผิดนั้นให้ถูกก็ได้นี่อันนี้แหละสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้กับคนเรามากบางคนถึงกับหมดเนื้อประดาตัวนะเพื่อต่อสู้กับความยุติธรรมอย่างนี้ก็มีมากนะในสังคมไทยเราหรือว่าในสังคมของชาวโลกเรามีอย่างนี้เยอะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม แล้วบางครั้งก็แม้แต่ผู้ทนายความผู้วิพากษาหรือคนตัดสินจะเป็นผู้ใหญ่กำนันเลือกเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าอะไรก็แล้วแต่บางครั้งก็ต้องถูกฆ่าตายนะถูกฆ่าตายเพราะความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่เป็นประจักษ์นะมีให้เห็นอยู่เป็นประจักษ์ทีนี้อีกประเภทหนึ่งก็ลองดูนะอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเป็นประเภทที่เรียกว่า มีคนสองคนนะมีคนสองคนมีความผิดด้วยกันทั้งคูนะ่หรืออีกฝ่ายหนึ่งจะผิดว่าันเถอะนะอีกฝ่ายหนึ่งจะผิดจะยกตัวอย่างให้ฟังคนนี้ไปไปรักของเขามานะสองคนเนี่ยคนหนึ่งไปรักของเขามาอีกคนหนึ่งก็จับได้ ไปรับของเขามาแล้วก็เจ้าของเขาจับได้ก็ไปเกิดการฟ้องร้องกันเมื่อไปเกิดการฟ้องร้องกันแล้วก็ปรากฏว่าทางผู้ทางทนายความรือผู้พิพากษานั้นไปกลับเท่าข้างคนผิดเพราะรู้ว่าไอ้คนถูกนั้นนะ่ะไม่ถูกกับบ้านของเราไม่ถูกกับภรรยาของเราหรือไม่ถูกกับตัวของเราหรือไม่ค่อยลงรอยกับลูกหลานของเราเราก็เลยตัดสินให้ผิดนะ แถมยังจับยัดเยียดข้อหาให้อย่างนี้ก็มีนะยัดเยียดข้อหาให้ต่างๆนานาซึ่งเหตุการณ์อันนี้บางครั้งมันไม่น่าจะมีนะมันไม่น่าจะมีมันก็มีนะไม่น่าจะมีมันก็มีนี่อย่างนี้เรียกว่าลำเอียงเพราะไม่ชอบกันนะลำเอียงเพราะไม่ชอบกันนี่เรียกว่าโทสาคตินะคือทําอะไรด้วยด้วยความชังนะเอาความชังนั้นมาเป็นความยุติธรรมอันนี้ไม่ถูก เอาความรักมาเป็นความยุติธรรมอย่างนี้ไม่ถูกนะแต่ไม่เอาความจริงไม่เอาความถูกต้องมาเป็นปรรทัดฐานในการตัดสินความต่างๆอันนี้แหละจึงทำให้เป็นปัญหากับ เ, เรื่องการปกครองประชาชนทั่วไปที่ไม่ไดนะ้รับความยุติธรรมจึงมีการเรียกร้องเพราะถูกกดขีถูกกดดันถูกคมเหงต่างๆนานาก็จึงมีการฆ่ากันตายรอบยิงกันตาย หรือบางครั้งตัวเองก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจถึงกับกินยาตายก็มีฆ่าตัวเองตายก็มีนี่อันนี้มีเยอะนะเราเห็นมีเยอะเลยฉะนั้นก็จึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรประพฤติเราไม่ควรกระทําเพราะกระทําไปแล้วถ้ามันเป็นการเดือดร้อนคนอื่นหรือว่าไปหาความสุข บ, บนความทุกข์ของคนอื่นถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสนุกสนานเอาหน้าที่การงานเอายศตาแหน่งของตัวเองนั้นมาเป็นใหญ่ นะเอามาอยู่เหนือกฎหมายอันนี้มันก็ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะถ้าหากว่าเป็นคนมีสติปัญญาแล้วก็ย่อมจะใข่ขวนว่ารู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดนะแล้วนอกจากว่ามันจะผิดกฎหมายแล้วมันก็ผิดหลักธรรมอีกด้วยนะมันเป็นบาปนะมันเป็นบาปมันเป็นเวรมันเป็นกรรมนะเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนานั้น คืความชั่วที่จะเกิดขึ้นกับคนเรานั้มันก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจนอไม่ได้เกิดทางไหนก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจฉะนั้นเมื่อตัวเองได้กระทาทางกายมันก็เป็นความชุทํากายทุจริตมันก็เป็นความชั่วเอทําความชั่วทางวาจาก็เรียกว่าจีทุจริตเอทําความชั่วทางใจก็เรียกว่ามโนทุจริตฉะนั้นมันมีผลทังนั้นเลยมีผลทังนั้นเพระพระพุทธองค์ท่านได้กล่าวว่า เจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมแน่เป็นกรรมเป็นตัวเจตนาฉะนั้นอันนี้เราถือว่ามีโทษทนนถ้าเราทำดีมันก็เป็นผลดีเราทำชั่วมันก็มีผลก็คือความชั่วคือความทุกข์ความเดือดร้อนทำดีก็เป็นเรื่องของความสุขความสบายใจฉะนั้นก็ท่น้นพูกฟังทั้งหลาย ท่านจะทําอะไรท่านควรรู้สึกท่านจะต้องยับยั้งชั่งใจพิจารณาให้่องแทนะ้ท่านจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความยุติธรรมทีนี้มาในข้อข้อที่อที่สามที่บอกว่าลำเอียงเพราะความกลนะ้าความประพฤติที่ไม่เที่ยงทำด้วยอํานาจของความกล้าและความกลัวเช่นผู้พิพากษา อัตคดีต่างๆพิจารณาความต่างๆไม่รู้จักฟังคําพยานและตัดสินผิดเช่นนี้ในชีว่าลุกอํานาจแห่งโมหาสติและผู้พิปาสสาบางคนก็ตัดสินผู้ที่ควรจะแพ้แต่ว่าให้เป็นผู้ชนะด้วยเหตุที่บิดาของเขาเป็นผู้ดีเลยเกลงอํานาจบิดาของเขาเสียอย่างนี้ชี้ว่าลุกอํานาจแห่งพยาคตินะพยาคติอันนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ การลำเอียงเพราะความเข่าผู้ทําทําด้วยไม่เจตนาจะไม่ผิดจริงแต่ถึงกระนั้นก็ยังควรติได้ว่าเป็นคนไม่รอบครอบอเป็นคนไม่รอบครอบเป็นคนไม่สุขุ ม, มไม่ใช้วิจรารณญาณให้ท่องแท้อันเป็นเหตุเสียผลแก่ผู้อื่นด้วยไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอกันเหตุนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นอคติอีกด้วยเป็นอคติด้วยฉะนั้นขอให้ท่านผู้ ฟังทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องนี้ให้ถ่องแท้นะว่าผู้ทำทำด้วยไม่เจตนามันก็มันก็มีความผิดถึงจะบอกว่าไม่เจตนาก็มีความผิดเพราะเรานั้นไม่ได้สืบสวนสอบสวนให้ถูกต้องตามทํามนองครองธรรมแน่นอนที่สุดมันก็มีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนหนาะทายเดียวฉะนั้นอันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ฟังไว้ฉะนั้นในอคติสี่อย่างนี้ จะเป็นว่าลำเอียงเพราะความรักลำเอียงเพราะความชังลำเอียงเพราะความเขา่าลำเอียงเพราะความกลัวนะในสี่อย่างนี้เป็นกิยาที่ไม่ควรประพฤตข้อที่สำคัญก็คือข้อโมหคตนะิลำเอียงเพราะความเขาเรียกว่าโมหคติมีโทษมากทำไมถึงว่ามีโทษมากเพราะเป็นมโนกรรมนะเป็นมโนกรรมเป็นต้นเขาแห่งอคติทั้งปวงนะ ก็หมายความว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเนยะเกิดขึ้นที่ใจยังที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากใจคนเราถ้าใจคิดผิด แ, แล้วทำอะไรมันก็ผิดไปหมดพูดก็ผิดทำก็ผิดคิดก็ผิดนี่พวกนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเนะีเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่มิจฉาทิฏฐิก็มักจะคิดว่าคือเป็นคนที่ขาดความยั้งคิด ขาดสติปัญญาขาดวิจนณญาณขาดความสุ ข, ขมุมขาดความรอบคอบนะอย่างนี้ใช้ไม่ไดนะ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาก็เคยมีเหมือนกันนะเคยมีเหมือนกันว่าประชาชนนี้ได้รับความเดือดร้อนนะมีสมัยหนึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะจากการที่พวกเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่นี้มีการข่มเหง ประชาชนอประชาราชนแล้วเวลาตัดสินก็คนที่ตัดสินนั้นก็มักจะเข้าข้างคนที่ผิดถือว่าคนที่ผิดนั้นเอาสินบนมาให้บ้านี่ให้เราเห็นแก่อำนาจสินบนเห็นแก่เงินเห็นแก่ทองเห็นแก่ของขวัญไอ้คนที่เห็นแก่เงินเห็นแก่ทองเห็นแก่อำนาจของขวัญเนี่ยพวกคนที่ติดเหยื่อคนที่หลงเหยื่อนะพวกคนหลงเหยื่อติดเหยื่อนี่ก็เท่ากับว่าคนที่ติดเบ็ดนั่นเองนะ เพราะว่าในเหยื่อน <ti> ั้นมันมีเบ็ดเกี่ยวอยู่นะปลาที่มันไปกินติดเด็ดน่นเพราะมันไปหลงเหยื่อถ้ามันรู้ว่ามีเบ็ดมันมันไม่กินหรอกฉะนั้นพอมันไปกินเหยื่อแล้วมันก็ติดเบ็ดอ่าเพราะพราะเบ็ดมันเกี่ยวตัวเองเข้าที่ไหนเขาก็จุงไปได้นะไอ้ที่ผิดก็จุ่งมาให้ถูกได้เออไอ้ที่ผิดมากก็ไม้ผิดน้อยก็ได้นี่และแทนํารายก็ไปเอาคนที่ถูกนั้นให้ผิดโดยไปตั้งข้อหาต่างๆนานานี่ เพราะอะไรเพราะตัวเองได้กินเหยื่อเขาไปแล้วนได้ติดเบ็ดเขาเข้าไปแล้วนี่พวกนี้แหละถือว่าเป็นพิษเป็นภยัยแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ประเทศชาติเป็นอย่างมากะฉะนั้นจึงบอกว่าเราทุกคนอย่าอย่าเป็นคนมีโมหะคตินะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่า มโนปุกพังขมาธรรมามโนเสศถามโนมายามนัสาเจปตุตเทนะภาสติวาสโรติวาว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้านมีใจประเสริฐที่สุดสําเร็จก็ที่ใจอสําเร็จก็ที่ใจจะพูดก็ตามจะทําก็ตามอยู่ที่ใจทั้งนั้นใจเป็นผู้สัง่งอใจเป็นผู้สัง่งเพราะนั้นภาษิตไทไทยเราจะบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกายนี่มันทําตามตา ม, ตามนายอ เอ่าะกายนี่มันทําตามนายอะไรคือนายก็คือใจนะก็เหมือนกับเราเนี่ยมีคนใช้คนใช้ก็ต้องทําตามที่เราสั่งเราจะสั่งให้ทําอะไรเขาก็ทําตามฉะนั้นเหมือนกันได้ร่างกายเหมือนกันทางวาจาก็เหมือนกันทําตามที่ใจนึกคิดเออใจให้คนใจมันคิดจะพูดดีปากก็พูดดีใจคิดพูดชั่วปากก็พูดชั่วอใจสั่งให้มือทําอย่างนั้นให้ชกใครก็ได้เออให้ต่อยใครก็ได้ ให้ไปเยียบใครก็ได้เอนี่เรียกว่าเป็นความชั่วทางกายที่ใจได้สั่งลงไปนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้เอไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเที่ยงธรรมก็ปรากฏว่าในทางโลพุทธศาสนาที่ว่านั้นในเมื่อคนที่เป็นใหญ่นะคนที่เป็นใหญ่มาทําความผิดเสเองก็ไปสร้างความเจ็บช้าให้บอปร ะ, ะชาชนเป็นส่วนมากทีนี้ก็ปรากฏว่ามีนักปราบมีบัณฑิตคนหนึ่ง เมื่อมีคนมาร้องเรียนมากๆก็ทนต่อความเห็นเหตุการณ์ชั่วร้ายอภิสติต่อเจ้านายไม่ไหวก็เลยเข้ามากู้สถานการณ์นะด้วยการมาตัดสินความตัวเองปรากฏว่านายคนนี้ก็คือชื่อพันธุระนะถือว่าเป็นเสนาบดีที่มีความซื่อตรงที่มีความเที่ยงตรงที่เป็นบัณฑิตนะแต่ก็นั่นแหละเมื่อตัวเองพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่าง อที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมมาธิปไตยที่มีความยุติธรรมความจริงความถูกต้องแล้วถึงกับนั้นก็สู้อำนาจแห่งการประจบสอบซ อ, บอบไม่ไหวนอถูพกพวกเสนาอัมมาตอเพื่อนกันนี้ไปยุโยงส่งเสริมพระเจ้าแผ่นดินว่าในพันธุละนี้นะหรือว่าพันธุละเสนาบรีนี่คิดจะเป็นใหญ่คิดจะฆ่าพระองค์หวังที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเอง ผลที่สุดก็คือว่าถูกฆ่าตายนี่เห็นไหมถูกฆ่าตายฉะนั้นจึงบอกว่าบางคนนี่ที่มีทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมก็ไม่ได้รับความยุติธรรมนะต้องถูกฆ่าตายก็มีอยู่มากมีอยู่มากอย่างในเสนาบดบัณฑิตน่ะท่านเป็นบัณฑิตที่ที่มีความเฉลียวฉลาดมากท่านจะตัดสินอะไรนี้ท่านตัดสินด้วยความยุติธรรมเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไป ตาวกดก็มีชายคนหนึ่งนะชายคนนี้แกก็ออกจากบ้านไปขอทานเขานะไปขอทานเขาหากินเนะมียก็เตรียมเครื่องสเสบียงกลังออกไปนะมีข้าวตาเข้าตัวอะไรก็แล้วแต่ขนมนมเนยอะไรก็เอาใส่ถุงย่ามไปก็โผล่คก อ, อกไปเมื่อเดินไปขอทานบ้านโน้นบ้านนี้ถึงตำบล น, นั้นตำบล น, นี้จนหลายๆตำบลเข้าถึงข่าวเหนื่อยก็ หยุดพักใต้ต้นไม้ก็เปิดตาผุงย่างนะล้วงเอาข้าวตูเข้าวตังอะไรมากินกินเสร็จแล้วก็ยังว่าติดคอก็เลยเดินไปกินน้ําในบ่อน้ําใกล้ๆนะเดินไปกินน้ําในบ่อน้ําใกล้ๆในขณะที่เอเดินไปกินน้ําในบ่อน้ําใกล้ๆนั้นพอขาจับมาแล้วก็ยังว่านั่นแหละ พอจับมาก็มาถึงก็ผูก ป, ปากถุงเลยก็เดินแบกถุงต่อไปแต่ในขณะที่เดินแบกถุงต่อไปนั้นปรากฏว่ามันมีเสียงพูดเสียงพูดจากต้นไม้บอกว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านไปพักอยู่ในกลางทางท่านก็จะตายถ้าท่านไปถึงบ้านภรรยาของท่านก็จะตายภรรยาของท่านก็จะตายเสียงนี้ก้องอยู่ด้วยนะเสียงนี้เป็นเสียง เรียกว่าลุกเทวดาหรือเทพเจดาอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นะแกก็คิดไม่ออกว่าวันนี้ถ้าท่านพักกลางทางท่นทานอย่าตายแต่ทางถัดไปถึงบ้านเมภรรยาของท่านก็จะตายแตนะ่แกก็คิดไม่ออกอนะคิดไม่ออกก็รู้สึกเสียใจมากว่าเอ๊ะมันจะต้องมาถึงเราวิบัติคราะกรรมด้วยเหตุอันใดนะหรือจะมีคนมาฆ่าตายอะไรก็นึกไม่ออกท่นะอดีแกก็บ่ายหน้าตรงไปยังกับ ที่เมืองเมืองหนึ่งนะที่เมืองเมืองหนึ่งที่สำนักหนึ่งซึ่งในขณะนั้นก็เสนกาบัณฑิตก็ได้แก่พระโพธิสัติ์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสวยประชาตาเป็นเสนกาบัณฑิตเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดมากในขณะที่กำลังแก้ปัญหาทำแสดงทำให้กับประชาชนฟังในคนนี้ก็เลยเดินเข้าไปหาร้องให้ฟูงไฟอยู่เลย เสืกกบบ้อนากากบัณฑิตก็อมองเห็นแล้วว่าเอ๊ะดูคนนี้ดูมาด้วยอาการลุกลี้ลุกลมเออสียอกเสียใจมีปัญหาอะไรหรืออก็เรียกเข้าไปไต่สวนตวนถามก็ได้ความว่าตัวเองนั้นาได้ไปเป็นคนขอทานเข้ามานะขอทานเข้ามาขอทานหนึ่งก็ได้ไปหยุดอกินข้าวตั้งเข้าตูที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แล้วก็เดินไปกินน้ํากลับมาก็ผูกปากถุง ในขณะที่จะเดินออกจากต้นไม้นั้นก็มีเสียงพูดบอกว่าวันนี้ถ้าท่านไปพักกลางทางท่านจะต้องตายถ้าท่านไปถึงบ้านัญญาของท่านก็ต้องตายแกก็คิดไม่ออกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเสน ก, กะบัณฑิตก็ใช้ปัญญาวิจรารณญาณพิจารณาโดยท่องแท้ด้วยความสุขุมรอบคอบตัดสินได้ทันทีเลยว่าถามบอกว่าในถุงย่ามของท่านมีอะไรก็บอกว่า มีพวกเข้าตูเข้าตังอยู่นะแล้วตอนที่ท่านประยุ์เอกินที่ใต้ต้นไม้ตอนที่เดินไปกินน้ํำนะท่านผูกปากถุงไว้หรือเปล่าบอกว่ากล่าอ่าบอกว่ากล่าแล้วท่านกลับมาท่านก็ผูกปากถุงเลยใช่ไหมบอกใช่ได้ตรวจดูหรือเปล่าในถุงไม่ได้ตรวจดูอ่าตอนนี้เสนาบดีก็รู้ทันทีเลยว่าในถุงย่ามนั้นน่นนะมีงูพิษอยู่นะตอนที่ท่านเปิดปากถุงนั้นนะ่ะ ที่อยู่กินข้าวตูข้าวตังที่ต้นไม้นั่นน่ะแล้วก็ไปกินน้ําไอ้ส่วนถุงที่อยู่ทางนี้งูมันได้กลิ่นแล้วมันก็เลยเข้าไปในถุงยะเพื่อจะไปได้กลิ่นใ้พวกของที่อยู่ในถุงทีนี้ท่านกลับมาแล้วท่านก็ไม่ได้พิจารณาในถุงก็เลยผูกปากเลยดังนั้นถ้าท่านไปพักกลางทางท่านก็จะต้องเอามือล้วงไปหยิบข้าวข้าวตูหรือข้าวตังในนั้นงูนั่นก็จะกัดท่านตายเมื่อท่านไปถึงบ้าน ภรยาของท่านก็จะต้องมารับหน้ามาตรวจถือเอาถุงนี้ไปตรวจ ด, ดูกลิ่นขอ ง, งต่างๆภพยาของท่านก็จะต้องถูก ง, งูพิษกัดตายแต่เราขอให้ประชาชนได้ดูช่วยกันดูงูในถุงนั้นทุกคนก็เตรียมดูอแกะปากถุงเปิดปากถุงก็ปรากฏมีงูพิษออกมาจริงๆนี่เขาเรียกว่าตัดสินโดยความสุขุมรอบครอบอสุขุมรอบครอบแล้วก็มีเหตุการณ์รณอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า อสามีภรยาอ่าการจับว่าภรรยามีชู้นั้นจะจับได้อย่างไรจับได้อย่างไรก็ปรากฏว่าอเสน่ห์นกบันดิตนี้ก็ฉลาดนะฉลาดมากก็เล่ผู้ชายคนนั้นมา ว, าว่าวิธีที่จะจับภรรยาไปชู้นั้นก็ไม่ยากก็คือว่าให้ภรรยานั้นเชิญคนที่ภรรยานั้นพออกพอใจมาทานเลี้ยงอาหารที่บ้าน อ่าสักสิบคนนะสิบคนก็ปรากฏว่าภรรยาคนนี้ก็กลับไปทํำดังที่ได้รับคําแนะนําจากบัณฑิตนั้นอ่าทีนี้ก็บอกว่าให้เลื่อนลงไปทุกวันอ่าครั้งที่สองก็เลื่อนลงมาเหลือเก้าคนครั้งที่สามเหลือแปดคนครั้งที่สี่เหลือเจ็ดคนครั้งที่ห้าเหลือหกคนเอ่าน้อยลงมาเรื่อยจนกระทั่งเหลือคนเดียวนะแต่ห้คนที่คนเดียวนั่นแหละคือต้องเป็นชายชูนะ เพรธรรมดาคนที่รักนั้นย่อมจะต้องได้รับอภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนย่อมจะได้รับการชักชวนให้มาร่วมวงในการเฉลิมฉลองกินเลี้ยงมากกว่าคนอื่นอร้อมที่สุดก็จับได้จริงๆและภรรยานั้นก็ยอมรับออันนี้ก็เป็นการจะเชื่อเห็นว่าคนที่มีสติปัญญาตัดสินคดีความด้วยความสุขุมรอบครอบนั้นเขาใช้เหตุใช้ผลมากนใช้เหตุใช้ผลมากไม่ได้มาใช้อํานาจ อกติหรือความไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องตัดสินออย่างนี้ไม่ได้เออย่างนี้ถือว่าทําอะไรไม่ถูกทําแล้วก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เมื่อผู้ใดได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแน่นอนที่สุดเขาย่จะเจ็บช้าน้ําใจเจ็บปวดทุงใจมอกทุกคนไม่อยากประสบทุกคนไม่อยากเห็นอย่างนี้บางครั้งไม่ใช่ว่าทุกจะเฉพาะคนเดียวมันไปทุกถึงลูกถึงเมียอีกด้วย พุกถึงพ่อถึงแม่ทุกถึงวงตระกูลแล้วมันเสียเสื่อมเสียวงศตระกูลอีก ด, ด้วยฉะนั้นเราทุกคนจะต้องไม่จพจะต้องไม่กระทําอย่างนี้ mm hmm. เพราะว่าการกระทําอย่างนี้คือเป็นการชักเป็นการนําศัตรูเข้าหาตัวเองนะเป็นการชักนำศัตรูเข้าหาตัวเองฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายลองคิดดูว่าเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นไหมนะเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นไหม mm hmm. ทีนี้ถ้าหากจะมีปัญหา อถามบอกว่าใน้ลำเอียงเพราะความรักความชังและความกลัวอ่าที่ติว่าเป็นกิจไม่ควรกระทําไม่ควรประพฤตินั้นก็ชอบอยู่เพราะว่าเป็นข้อที่ผู้ทําทําทางใจนะส่วนลาเอียงเพราะความเข่าผู้ทําทำด้วยไม่เจตนาอ่าไม่เจตนาฉะนั้นจึงจะตอบเป็นอคติอถ้าว่ามีคํำถามอย่างนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าไม่เจตนา จะให้ผิดแต่ก็ยังควรตาหนิติชินได้เพราะว่าไม่รอบคอบนะไม่รอบคอบไม่มีเหตุไม่มีผลนะอันเป็นเหตุทำให้คนอื่นนั้นต้องเสียผลประโยชน์หรือทำให้เสียผู้เสียคนไปโดยไม่ได้รับความยุติธรรมนะนี่แหละจึงได้กล่าวว่าเป็นอคติเป็นคนที่ไม่มียุติธรรมนะเป็นคนที่ไม่มียุติธรรมทีนี้ถ้าหากว่า คนที่รู้อำนาจแก่คติแล้วจะมีโทษอย่างไรนะจะมีโทษอย่างไรแน่นอนที่สุดย่อมจะได้รับโทษก็คือว่าทุกๆุกข้อนั้นมีโทษทางนั้นโทษก็คือเป็นกรรมเป็นบาปนะเป็นบาปก็คือเป็นความเดือดร้อนนะเป็นความเดือดร้อนเป็นความทุกเป็นการกระทำที่อยากช้าลามกมากทําให้ผู้อื่นเขาได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความยุติธรรมเสมอกันทั้งตนเองก็จะได้รับความทุกได้รับโทษเป็นต้นว่าถูกติขินนินทา ดีไม่ดีก็ถึงมีการถูกถอดยศลดตำแหน่งถูกจ ด, ดถูกไล่ออกนะเรียกว่าที่เคยมีลาบก็เสื่อมลาบเคยมียศก็เสื่อมยศเคยมีสุขก็มีทุกเคยมีคนสนเสริญก็มีคนติชินนินทานะก็จะมีแต่ความทุกข์ไม่สดใสเหมือนกับพระจันทร์ในข้างแรมนะมันมืดมันมัวหมองนะอย่างนี้ก็นี่เรียกว่าเป็นโทษของคนอคตินะอคติ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าจะถามบอกว่าคนที่ไม่ทํากิจวัดนะเพราะกลัวจะผิดน ะ, ะเรียกว่าหมายถึงว่ากิจวัดก็คือําหน้าที่ของตนเช่นอย่างพระจะาจ ะ, จะไม่ไปไหว้พระสวดมนต์ทาวัดเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะผิดอภิตินะกลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะอย่างนี้จะจัดเป็น อ่ะอคติไหมหรือว่าจะจัดเป็นพยาคติไหมอย่างนี้ไม่เป็นที่ไม่เป็นเพราะว่ากัวสิ่งที่ควรตัวแล้วทําสิ่งที่ควรทําำอย่างนี้ไม่เป็นหรือว่าคนที่รักใชายผู้หญิงอทํากุศลด้วยหวังผลจะให้เขาสรนเสริมตนออย่างนี้เป็นชั้นทาคติไหมอ่าไม่เป็นเพราะอะไรเพราะความรักเป็นเหตุให้เขาทําความดีอ่แต่เป็นโลกาธิปไใย เเอาคนส่วนมากเป็นใหญ่ก็คือเป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะทีนี้ถ้าจะถามว่ามุขคนผู้ประพฤติเสียความยุติธรรมด้วยตัวจะเสือ่อมทรัพย์และเสียยศจักเป็นอัคติอย่างไรแลนะจัดอยู่ในข้อไหนในคติสีอย่างนี้ก็เป็นพยาคติเพราะกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัวและประพฤติสิ่งที่ผิดธรรมผิดวินัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ทีนี้ถ้าจะถามอีกว่าผู้ปีภาคษาพิจารณาอัตฉริย ผิดพลังเสียความยุติธรรมไปเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากอจะเป็นอคติข้อไหนหรือไม่อย่างไรฉะนั้นปัญหานี้ก็จะแก้ได้ทันทีว่าถ้าตัดสินโดยไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาก็เป็นโมหะสติเพราะตัดสินโดยความโง่เขลาถ้าตัดสินโดยใช้สติปัญญามีเจตนามุ่งยุติธรรมเป็นใหญ่อย่างนี้ก็ถือว่าแม้จะผิดครั้งไปก็ไม่เป็นโมหะสติเพราะไม่ได้ผิด เราไม่ได้บีบปากษารโดยความโงเ่เขลาเพราะธรรมดาปุถุชนที่มีสติปัญญายังไม่บริบูรณ์ก็ย่อมจะมีอะไรขาดตกบกพร่องบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาคนที่ทำอะไรไม่ผิดเลยนั้นก็เหมือนกับว่าคนไม่ได้ทำอะไรเลยนะคนที่ไม่ผิดเลยจริงๆก็ได้แก่พวกพระอรหันต์นั่นเองนะท่านมีสติมีปัญญาสมบูรณนะ์มีสติมีปัญญาสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าจะถามอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายว่าความกลัวในพระพุทธศาสนา จัดนะเป็นการดีหรือชั่วเป็นการดีหรือชั่วอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าไอ้ความกลัวที่เป็นความดีก็มีนะเป็นความชั่วก็มีนะความกลัวที่เป็นเหตุให้คนเราประพฤติสุจริญก็เป็นการดีเช่นว่าเรียกว่าโอดตปะปักนะอันนี้ซึ่งมาในหมวดธรรมที่สองซึ่งในเคยบรรยายไว้แล้วว่าธรรมเป็นโลกบาลธรรมคุมครองโลกนะที่ว่าโอดตปะปักความเกรงกลัวกลัวอะไรกลัวบาปกลัวกรรม กลัวความชั่วจะเกิดขึ้นกับตนเองแล้วไม่จะทําความชั่วอันนี้เป็นความกลัวที่ดีนะเป็นความกลัวที่ดีเช่นว่าอยากจะไปฆ่าเขาก็กลัวว่าจะถูกจองจําถูกติดคุกติดตารางแล้วก็เวรกรรมอันนั้นก็จะต้องตามมาทําให้ตัวเองนั้นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตัวเองครอบครัวสังคมประเทศชาติได้โดยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ทำนะอันนี้ถือว่าเป็นความกลัวในทางที่ดีนะกลัวทั้งในที่รับกลัวทั้งในที่แจ้ง แม้ว่าไม่มีคนเห็นที่จะไปลักขโมยเขาก็กลัวว่าเขาจะรู้เขาจะเห็นในภายหลังหรือกลัวว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดสุ่มแอบ ด, ดูหรือว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่จะสืบจับได้ก็กลัวแล้วไม่ทํานี่อย่างนี้ในกลัวไปนในทางที่ดีแต่ว่าชวนกลัวไปนในทางที่ชั่วเป็นเหตุให้สัพพุจริตก็คือเป็นความชั่วเรียกว่าพยาคติพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวเรียกว่าพยาคติพยาคติหมายความว่า ในการตัดสินหรือพิพาทสาอรอธิปธีต่างๆเพราะเห็นแก่อำนาจเพราะเห็นแก่อิทธิพลกลัวว่าถ้าตนเองตัดสินให้ลูกหลานของคนมีอิทธิพลนั้นผิดไปตามความเป็นจริงแล้วตัวเองจะได้รับความเดือดร้อนเพราะอำนาจอิทธิพลของผู้ใหญ่อันนี้จึงไม่กล้าทำลงไปเลยทำให้คนที่ถูกนั้นเป็นคนผิดคนที่ผิดมาเป็นคนถูกอย่างนี้เป็นความชั่วเราไม่ควรประพฤติเราไม่ควรจะทำ เพราะทำไปแล้วก็มีแต่ความหายนะมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่เดือดร้อนเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายเท่าที่จะมาภาพไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอตัตติคือกิริยาที่บุคคลไม่ควรกระพืติก็มีสี่อย่างคือหนึ่งลำเอียงเพราะความรักเรียกว่าฉันทาสติสองลำเอียงเพราะาความชังเรียกว่าโทสาคติสามลำเอียงเพราะความโง่เขลาเรียกว่าโมหาสติสี่ ลำเอียงเพราะความตัวเรียกว่าพยาคติทั้งสี่ข้อนี้เป็นสิ่งที่คนมีสติปัญญาดีแล้วไม่ควรจะพฤติไม่ควกรควกระทําในฐานะที่ตนเองนั้นเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอํานาจมีหน้าที่จะวินิจฉัยอธิคดีต่งางๆไม่ควรจะพฤติไม่ควกรควกระทำถ้าประพฤติกระทําไปแล้วก็มีแต่ทุกมีแต่โทษมีแต่ความเดือดร้อนจะทําให้ตัวเองนั้นเสื่อมลาบเสื่อมยศนะ อาจจะถูกถอดยศลบตําแหน่งหรือถูกไล่ออกหรือถึงที่สุดก็คือว่าเกิดความเสียใจน้อยเนื้อสั่ใจอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นะซึ่งมันเกิดได้ทั้งนั้นทะนั้นเราไม่ควรกระทําเราควรจะทําแต่สิ่งที่ดีที่งามผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องเอาความรักเอาความชังเอาความโงกเขลาเบาปัญญาหรือเอาความกลัวอะไรเข้ามาอยู่ในใจโดยมุ่งเอาความจริงเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ อย่างนี้แหละจะได้คิดว่าเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงนะก็เหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเมื่อเราเป็นคนที่มีความเที่ยงตรงเป็นคนที่มีความซื่อตรงก็เป็นคนมีค่าเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนที่มีความจริงคนประเภทนี้จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อันใดอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้วยลาบด้วยศชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างและจะมีแต่คนเคารพรักบูชากลาบไหวฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดอยู่ในหลังนี้คือเป็นคนยุติธรรมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอำนวยให้ในความสุขความสะดวกความสบายในที่สุดแห่งการบรรยายเรื่องอคติธรรมมาก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขความสวัสดีขอเจริญพร